ทะเลที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเนี่ยนั้นมีสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยชกชุมมากคือปลาวา น, นที่ชุมก็เพราะว่ามันมีอาหารเยอะนะอาหารนี่ก็จะรวมไปถึงแมวน้ําด้วยก็ได้เพราะว่าปลาวานบางชนิดนี่มันก็กินเนื้อนะอย่างปลาวานออกค้าหรือที่เราปลาวานเพชฌฆาตแต่ปลาวานบางชนิดเนี่ยตัวใหญ่ก็จริงนะแต่ว่า กินสัตว์เล็กเรียวแพลงตอนสัตว์ใหญ่ไม่แตะเลยมีเรือลํานึงเนี่ยลอยคออยู่กลางทะเลเถานั้นนะเป็นเรือลําเล็กๆนะจุคนได้มาสักสี่ห้าค น, นเป็นเรือที่ไม่รู้ว่าพาคนมาสำรวจทะเลหรือว่าพาคนมาเที่ยวดูประวานนะจู่ๆเนี่ยก็มีประวานตัวหนึ่งเนี่ยมันโผล่หัว มาอยู่ข้างกราบเรือเลยปกติปลาวานเนี่ยมันจะหนีคนนะหรือถ้าว่าจะว่ายมาใกล้เรือเนี่ยก็จะไม่อยู่ใกล้มากเพราะว่ามันไม่ได้พึ่งอาหารจากคนอยู่แล้วแต่ว่าปลาวาตัวนี้เนี่ยประหลาดนะโผล่มาแค่หัวใกล้กราบเรือซึ่งเป็นการ มาอยู่ใกล้คนมากเลยแล้วก็อยู่ในท่า น, นั้นเนี่ยนิ่งๆอยู่พักใหญ่เลยคนอยู่บนเรือก็แปลกใจมันทําอย่างนั้นทําไมหรือว่าจะมาหอความช่วยเหลือแล้วก็สังเกตนะหัวของปลาวานตัวนี้เนี่ยที่มันโผล่มาเหนือน้ําเนี่ย มันมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเรียกว่าเหาแล้วกันนะเหาปรวาวันมาเกาะ อ, อยู่ตามหัวตามปากเยอะแยะไปหมดเลยคล้ายๆเพลียงที่เกาะ อ, อยู่ตามหินเนี่ยริมหาดเจ้าของเรือเนี่ยนะก็ดา ว, ว่าสงสัยเขาคงอยากจะขอความช่วยเหลือจากคนก็คือขอให้ช่วยแกะเหานี้ให้ ว่าเขาพวกนี้เนี่ยมันก็ทำความเจ็บปวดหรือความระคายเคืองให้กับเปลววานถ้ามันเยอะมากเลยนะแค่ตัวสองตัวไม่เท่าไหร่มันเต็มอ่เต็มหัวชายคนนั้นก็ค่อยๆแกะนะเขาเปรววานออกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวพอเกิดอมดอแล้วเนี่ยก็สังเกตว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ย อ, อีกด้านนึงเนี่ยของปากมันเนี่ยมันก็มี เขาเปล่าวานอยู่เยอะเลยก็เลยบอกให้ปล่าวานไอ้ปล่าวานบอกให้ปล่าวานตัวนี้เนี่ยนยีขยับหัวหน่อยพลิกหัวมาหน่อยนะจะได้หยิบเขาเปล่าวานได้ง่ายมันก็ทําตามนะเนีเอียงหัวให้ชายคนนั้นเนี่ ย, ยหยิบเขาออกมาจากหัวมัน ได้สะดวกขึ้นสุดท้ายเนี่ย ก, ก็ดึงเขาออกมาจนไม่เหลือเลยนะพวกมันดีใจมากเลยนะดีใจยังไงมันอาปากนะอาปากมันก็ว่าขอบคุณหรืออ้าปากเพราะดีใจที่ตอนนี้จนะไม่ต้องทนลำคาญไอ้พวกเขาพวกนี้แล้วะ แ, แล้วก็ดำน้ำหายไป ใช่จริงไม่ได้หายไปไหนนะสักพักนี่ปรากฏว่ามีเพื่อนๆตามมาอีกหลายตัวเลยอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้ก็ดา ว, ว่าคงไปบอกนะไปบอกเพื่อนๆในฝูงนะอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นหลานอาจจะเป็นพ่อแม่เพราะว่าปาวาคนนี้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวนะเหมือนช้างอนะส่งสัญญาณนะว่า มาตรงนี้สินะเรือลํานี้เนี่ยเขาช่วยได้นะปลาวาฬหลายตัวก็เลยมาเลยนะแล้วก็ทำํำคล้ายๆ ก, กันก็คือยื่นหัวพล น, น้ําใกล้กราบเรือจากนี้ปลาวามีหลายตัวเนี่ยเนะบื่อก็ว่ามีเรืออยู่ใกล้ๆนะเห็นก็เลยขับเรือมามาช่วยช่วยกันแกะนะ เขาปาวานนะก็มีเรา อ, อยู่สองสามัรนี่มาช่วยแกะ่นะเพราะปาวามีหลายตัวมันก็ยอมให้แกะ่นะอยู่นิ่งๆเนี่ยนะจนกระทั่งแกเรียบร้อยนะโล่งปาวามก็สบายแล้วมันก็กลับคืนสู่ท้องทะเล นันเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดมากนะปราวานี่เขาคงรู้นะว่าเวลาเขามีความทุกข์เนี่ยบางอย่างเนี่ยคนช่วยได้เขาคงสังเกตนะเรือที่แล่นผ่านมาเถานั้นหรือลอยคอยอยู่เถานั้นเนี่ยคนเนี่ยถ้ามีน้ำใจนะไม่คิดจะทำร้ายปราวานปราวานนี้เนี่ย แม้ว่าเขาจะไหว้ยอยู่ใกล้ๆแต่เขาคงสังเกตคนนะสังเกตวันแล้ววันเล่าเรืออจะเป็นเดือนเป็นปีนี่ยก็รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ทาอันตรายเขาแล้ปะปวรนพวกนี้ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่านะว่าคนเนี่ยเหล่านี้มีน้าใจนะเป็นพวกรักธรรมชาติรักสัตว์ทะเลเพราะนั้นเวลา มีความทุกข์ร้อนเนี่ยก็เลยมาขอความช่วยเหลือเคยเล่าแล้วนะขอความช่วยเหลือคนเนี่ยให้ไปช่วยแม่ที่ถูกตาข่ายหรือแห่อวนเนี่ยมันพันจนเกือบตายเนี่ยเคยมีมาและแต่คราวนี้นี่มาใหม่นะใหม่แบบนี้คือมาช่วยมาให้ช่วยแกะเหาให้เัาเขารู้นะมาคนเนี่ย หรือว่าคนไหนมีเมตตาคนไหนมีน้ำใจแล้วก็รู้ว่าเนี่ยถ้ามีความทุกข์มีความเดือดร้อนคนนี่ช่วยได้และที่สาคัญคือว่าเขามีภาษาของเขานะาตัวแรกเนี่ยที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็มีความสุขมากเขาก็เลยไปบอกเพื่อนๆบอกยังไงนะก็คงส่งสัญญาณเป็นสัญญาณเป็นภาษาของเขา แล้วก็คงจะเป็นภาษาที่ซับซ้อนพอสมควรนะเพราะว่าบอกว่าเนี่ยมีเรือลําเนี่ยช่วยเธอได้นะเธอไปหาเรือลํานี้เลยนะมันก็ต้องเป็นภาษาที่ไม่ใช่แค่ง่ายๆนะซึ่งอันนี้ฉลามเนี่ยทําได้เพราะฉลาดไม่ใช่ฉลาดปลาวานเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสมองมีความฉลาดเหมือนกับช้างอ่ะแล้วปลาวานเนี่ยพอรู้เข้าเนี่ยก็มากันเลยนะ มาให้คนช่วยอันนี้มันมีเครื่องเป็นตัวอย่างที่แสดงว่าเนี่ยปลาวานเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญานะมีความรู้มีความฉลาดสามารถจะเรียนรู้ได้แต่ก่อนก็ทนนะเจอเหาฉลาดเจอเหาปลาวานก็ต้องทนเนาะแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าให้มีคนบางคนนี่ช่วยได้เพราะฉะนั้นเจอคนนี่ก็ยินดีให้ช่วยเลยก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งต่อไปก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมก็ได้ ต่อไปมีคนขับเรือแล่นผ่านนี่ฉลามนี่ที่มีปัญหาแบบนี้ให้แม่ฉลามปลาวาฬที่มีปัญหาแบบนี้ก็จะมาโผล่แถวกราบเรือให้ช่วยแล้วก็เรื่องนะเรือที่ปเป็นเรือลําเล็กๆถ้าปเป็นเรือลำใหญ่เนี่ยคนคงช่วยไม่ได้เพราะว่ามันอยู่สูงนะแต่ว่าเรือเล็กๆเนี่ยคนเนี่ยช่วยได้ง่ายนะเพราะว่าเอไม่ต้องกลมมากปเป็นเรือลําเล็กๆ อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่แนละ้วที่คนเราก็รู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าสัตว์เหล่านี้นี่เขามีสติปัญญานะมีความรู้มีความฉลาดมากกว่าที่เราคิดนะไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมันก็ทำให้เกิดมิตรภาพกลางทะเลที่น่าประทับใจมาก